วันนี้เป็นวันพุทธที่ยี่สิบสาตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันพระปิยะมหาราชศรัทธายาณยมผู้ฝ่ายบุญก็เลยมีเวลาว่าง ไม่ต้องไปทางานหนึ่งวันเพิ่มเป็นพิเศษจึงถือว่าเป็นวันกำไรบุญคือถ้าต้องไปทำงานวันนี้ก็จะไม่ได้มาทำบุญที่วัดกันแต่พอรีวันนี้เป็นวันหยุดการทำงานก็เลยมีเวลาว่างที่จะสามารถมาวัดเพื่อมาทำบุญ ตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพิ่มอีกหนึ่งวันจึงเรียกว่าเป็นวันกำไรบุญบุญนี้คืออะไรบุญนี้คือการกระทาที่จะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่จิตใจจะทำให้ใจมีความสุข มากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลง ม, มีความเสื่อมน้อยลงไปตามลําดับ<ม>บุญนี้เป็นเครื่องดับความทุกข์ร้อนของใจ<ม>เวลาได้ทำบุญแล้วใจจะมีความเย็นความสบายความอิ่มความพอม บุญจึงเป็นเรื่องสำคัญของชาวพุทธเราที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ชาวพุทธเรามันทำบุญกันอยู่เรื่อยบุญนิี่พระเจ้าสงสอนให้ทำนี้ถ้าท่านไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังมาท่านอาจจะไม่รู้ว่ามีมากถึงสิบประการด้วยกัน พิธี ท, ทาบุญนี้มีอยู่ถึงสิบประการ <c oughs> ที่จะทำให้ใจมีความร่มเย็นเป็นสุขที่จะทำให้ความทุกข์พุ้นวายใจต่างๆนั้นดับลงไปได้อย่างราบคาบอย่างถาวร <c oughs> บุญที่ทรงสอนนี้ก็เป็นบุญที่มีมาจาก หลายวิธีการด้วยกันซึ่งจะขอนำมาเล่าให้ฟังพอสังเขปเท่าที่จะจำได้บุญข้อที่หนึ่งก็คือการบุญที่ได้จากการฟังเทศฟังธรรมเวลาฟังเทศฟังธรรมแล้วใจจะเกิดความรู้ขึ้นมา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 จะช่วยกำจัดความสงสัยต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมให้หมดสิ้นไปได้จากใจสี่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญาความรู้ความฉลาดที่จะเอาไปใช้ในการกาจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีในใจให้หมดสิ้นไปปัญญาความรู้ความฉลาดทางพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้มีไว้สำหรับให้เราล่ำรวยในลาบยศสารเสริญสุขกันแต่มีไว้เพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจที่เกิดขึ้นในใจให้หมดสิ้นไปเพราะว่าไม่มี สิ่งใดในโลกนี้ความรู้ในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ของใจได้นอกจากความรู้ทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นความรู้ทางโลกนี้มีไว้สำหรับสร้างความร่ำรวยสร้างความเจริญทางลาบยศสรรเสริญสุขสร้างความเจริญทางด้านวัตถุต่าง แต่ไม่สามารถมาใช้ในการดับความทุกข์ของใจได้เลยแต่ปัญญาของทางพระพุทธศาสนานี้ไม่สามารถนำมาไปสร้างความเจริญทางด้านวัตถุได้ไม่สามารถที่จะไปสร้างความร่ำรวยความเจริญในโลกธรรมคือลาบยศสรรเสริญสุขได้เป้าหมายของปัญญาความรู้ ทางพระพุทธศาสนานี้มีอยู่ที่ใช้ในการดับความทุกข์ของใจที่เกิดขึ้นต่างๆเวลาตามเวลาต่างๆให้มันหมดสิ้นไปจากใจให้ใจอยู่อย่างปรมังสุขขัง น, นิพพานางังปรมังสุขขังคือใจที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยการจากการปฏิบัต ธรรมของพระพุทธเจ้าคือปัญญา <Yeah. S 2> ผู้ใดมีปัญญาทางทางพระพุทธศาสนาแล้วผู้นั้นจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะกาจัดความทุกข์ต่างๆของใจได้ให้หมดสิ้นไปได้ <Yeah. S 2> อันนี้คือปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องคือความเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องของทุกข์นี้เอง ว่าทุกข์คืออะไรพระเจ้าส่งสอนว่าทุกข์ก็คือการเกิดการแกร่การเจ็บการตายการพัดพลาดจากกาันะการประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนานี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจทันทีเวลาต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้และเหตุที่ทําให้ใจทุกข์ก็เกิดจากตัณหาความอยาก มีอยู่สประการด้วยกันคือการมตันหาความอยากการความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดโภชภะความอยากร่าอยากรวยความความอยากได้อยากมีอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตันหาอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขอยากเจริญในลาบยศสารเสริญสุขอยากร่าอยากรวย อยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากได้คนนับยกย่องสรรเสริญเยือนยออยากได้สัมผั์กับความสุขผ่านทางรูปเสียงกลิ่นรสผทพภะชนิดต่างๆแล้วความอยากประการที่สามก็คือวิภาวะตัณหาความอยากไม่ให้ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาเช่นความแก่ความเจ็บความตายความสูญเสีย ความพัดพาดจากสิ่งที่รักที่ชอบไป mm. หรือความเสื่อมจากลาบยศสรรเสริญสุข mm. เรียกว่าเป็นมีภาวะตันหาไม่อยากให้เจอกับสิ่งเหล่านี้แต่อยู่ในโลกนี้มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับการเจริญและการเสรื่อมของลาบยศสรรเสริญสุข mm. ถ้าไม่อยากจะเจอก็ต้องหยุดการมาเกิดเท่านั้น ได้การจะหยุดการมาเกิดได้ก็ต้องหยุดการมาตัณหาความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโกรธสะพ้ชนิดต่างๆและวิธีที่จะทำให้ความอยากเหล่านี้หมดสิ้นไปได้<โ>เพื่อจะได้ทำให้ความทุกข์ทางใจหมดสิ้นไปได้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติธรรมเกิดจากการทำบุญต่างๆที่ผู้เจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัตินั้นเอง เช่นข้อที่หนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้เรียนรู้วิธีของการดับความทุกข์เพื่อจะได้เรียนรู้วิธีสร้างความสุขของใจถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ร่าเรียนไม่ได้ยินได้ฟังธรรมจะไม่มีวันรู้วิธีของการกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ต่อให้เรียนจบ ปลิญยาระดับสูงสุดที่มีอยู่ในโลกนี้จากสถาบันที่ที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ไม่สามารถเอาความรู้ที่ได้เรียนจากสถาบันเหล่านี้มาดับความทุกข์ทางใจได้ต้องใช้ปัญญาความรู้ทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะ ดับความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้อันนี้คืออา น, นิสงส์งข้อที่สี่ของการได้ฟังเทศฟังธรรมจะได้ความรู้มาดับความทุกข์ทางใจเพราะความทุกข์ทางใจเกิดจากความหลงความไม่รู้ถึงเหตุที่ทรมาทำให้มาทุกข์กันว่าเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงตัดสู้ทรงค้นพบสาเหตุของการของความทุกข์ ของใจนั้นเกิดจากตัณหาทั้งสาม k ตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะ ภ, ภาวะตัณหาความอยากได้ความสุขความจเจริญทางโลกธรรททั้งสี่คือลาบยศสารเสริญสุขและวิภาวะตัณหาความอยากไม่ให้ลาบยศสรรเสริญสุขที่ได้มาเสื่อมไปหมดไปถ้าไม่ต้องการจะให้มีความทุกข์ก็ต้องละความอยากทั้งสามนี้ และการที่จะละความสุขทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจได้ก็ต้องใช้การปฏิบัติธรรมการสร้างบุญสามขั้นในการคือทานศีลภาวนา mm hmm. น, นี่คืออา น, นิสงส์ผลประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังธรรมข้อที่สี่ข้อที่ห้าเวลาฟังธรรมด้วยใจที่จดจอ่อใจที่นิ่งสงบ ใจที่ไม่ไม่ไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆจดจ่ออยู่การฟังธรรมก็จะทำให้ใจสงบมีความน้ม่มมีความสุขความเย็นความสบายจากการได้ฟังเทศฟังธรรมอันนี้เป็นการฝึกสมาธิอีกรูปแบบหนึ่งธรรมดาบางท่านอาจจะไม่สามารถนั่งสมาธิได้นาน เพราะสติมีกำลังน้อยไม่สามารถบริกรรมพุโทโธไปได้เรื่อยๆหรือไม่สามารถอยู่กับลมหายใจไปได้เรื่อยๆนั่งได้สักพักก็เกิดอาการปวดอัดขึ้นมาเกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จนทำให้ไม่สามารถนั่งต่อไปได้แต่ถ้าได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่บ้านก็ได้แต่มีมีเสียงธรรมให้ฟัง มีเสียงธรรมที่ถ่ายทอดสดไปให้ฟังหรือธรรมที่ได้บันทึกเอาไว้แล้วก็ได้เมื่อได้นั่งฟังธรรมไปมันก็จะเกิดความพเพลิดเพลินเกิดความบันเทิงใจเกิดความสนใจทำให้ใจมีการจดจ่ออยู่กับธรรมที่ได้ยินได้ฟังก็ทำให้ใจนิ่งสามารถนั่งนิ่งนิ่งเฉย ฟังเทศฟังธรรมไปได้ตลอดเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ <Yeah. S 1> ผู้ที่ฝึกสมาธิใหม่ๆถ้ายัางไม่สามารถที่จะนั่งนั่งตามลำพังได้นานๆ <Yeah. S 1> ก็ใช้วิธีการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนแต่เวลาฟังเทศฟังธรรมก็ต้องไม่ใช้การบริกรรมพุทโธหรือไม่ใช้การดูลมหายใจเข้าออกเพราะว่ามันจะมาทําให้เกิด การต่อสู้กันทำให้ใจต้องดึงไปดึงมาอยู่กับพุโทโธบ้างอยู่กับการฟังธรรมบ้างอยู่กับลมหายใจบ้าง <c oughs> ถ้าฟังแบบนี้เราจะฟังไม่ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่กวน <c oughs> ถ้าจะใช้ธรรมเป็นเครื่องกล่อมใจให้สงบ <c oughs> ก็ใช้เสียงธรรมนี้เป็นอารมณ์แทนพุโทโธแทนการดูลมหายใจเข้าออกไปก่อน <c oughs> จนกว่า การฟังธรรมได้สิ้นสุดลงแล้วใจยังมีความเย็นความสบายแล้วมีความสามารถที่จะนั่งต่อไปได้ก็ใช้ลมหายใจใช้การดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้หรือใช้คำบริกรรมพุทธโธต่อไปก็ได้ mm. ก็อาจจะสามารถนั่งได้ยาวได้นานขึ้น mm. กว่าปกติ mm. นี่คืออ น, นิสงส์ประโยชน์ของการฟังธรรม เป็นบุญที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมจะไม่รู้ว่าบุญมีไว้ทาไมนะบุญมีสี่มีกี่ชนิดด้วยกันที่จะต้องทำแต่พอฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะได้ยินได้ฟังธรรมเช่นวันนี้ จะมาเล่าเรื่องทรสิบประการให้ฟังแต่ไม่รู้จะไปถึงข้อที่สิบหรือไม่ ข, ข้อที่หนึ่งเมื่อฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้เรียนรู้ว่าการทำบุญในพระพุทธศาสนามีสิบวิธีด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือการฟังเทศฟังธรรมเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อฟังแล้วจะได้เรียนรู้ว่ามีบุญอะไรอีกที่ต้องที่ที่จะควรจะกระทากั น, กน เมื่อเราเมื่อเราฟังธรรมแล้วเราก็จะได้บุญข้อที่สองตามมาบุญข้อที่สองคือการมีความเห็นที่ถูกต้อง<ม>การมีสัมมาทิฏฐิ<ม>คือมีความรู้มีปัญญาทางพระพุทธศาสนา<ม>ซึ่งสําหรับบางท่านอาจจะเคยได้ฟังเทศน์ฟังธรรมในอดีตชาติมาก่อนแล้ว<ม>ได้มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วว่า<ม>ทุกเกิดจากอะไร อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ใจทุกข์อะไรที่จะหยุดความทุกข์ได้<ม>ก็คือการทําบุญต่างๆการปฏิบัติธรรมบางท่านอาจจะมีความรู้ความเห็นอย่างนี้มาแล้วก็ได้<ม>ถ้ามีก็ถือว่ามีบุญ<ม><ม>เราจะได้รู้จักวิธีดําเนินชีวิตเพื่อไม่ให้ไปสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองให้คอยกําจัดความ คอยกำจัดเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเพื่อให้ใจได้มีความน่มเย็นเป็นสุข<ม>แต่ถ้าไม่มีติดมากับตัวเองไม่มีสัมมาทิฏฐิความความเห็นชอบติดมากับตนเอง<ม>ก็ต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมการศึกษาพราะธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่นที่มีสัมมาทิฏฐิจะรู้ว่า อะไรที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจอะไรที่จะเกิดการดับความความทุกข์ใจให้ดับไปได้ก็จะรู้ว่าต้องทำบุญชนิดต่างๆน claro> ั่นเองคนที่มีสัมมาทิฏฐิก็จะนำไปสู่การทำบุญข้อที่สามก็คือถ้าอยากจะให้ใจมีความสงบมีความสขงมเย็นการทำบุญที่ง่ายที่สุดขั้นที่หนึ่งก็ทำบุญด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดก่อน วิธยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการทำทาน <Yeah. S 2> การเสียสละแบ่งปันเข้าของเงินทองเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆที่เรามีมากกว่าความจำเป็นที่จะต้องมี mm hmm. บางทรั้งเราอาจจะมีะไรายได้ดีเราเห็นอะไรเราชอบเราก็ซื้อมา mm hmm. ทานั่งที่บางทีก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องซื้อมา ซื้อมาแล้วซึ่งมารู้ทีหลังว่าความจริงไม่ต้องซื้อมาก็ได้แต่เมื่อซื้อมาแล้วเพราะความชอบ mm hmm. ถ้าอยากจะทำบุญก็สามารถเอาของต่างๆที่เราซื้อมาแล้วที่เราไม่ได้ใช้เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ mm hmm. เราสามารถเอามาทำบุญได้เอามาให้มาทำทานได้คำว่าทานแปลว่าการให้ mm hmm. ทานนี้ไม่ได้หมายคำว่าให้กับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นพระเท่านั้นแม้แต่การให้พระสงฆ์องค์เจ้าก็เรียกว่าทานเหมือนกันแต่เราตามสมมุตินิยมเรามักจะแยกว่าถ้าให้กับพระนี้ต้องเรียกว่าทำบุญให้กับผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระคารวะญาติโยมเรียกว่าทำทานแต่เป็นการให้เหมือนกันเป็นการเสียสละแบ่งปัน ข้าวของเงินทองที่มีเหลือกินเหลือใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นอันนี้การทำทานนี้คือแปลว่าการให้ให้ใคร ก, ก็เป็นทานให้พระก็เป็นทานให้คารวะญาติโยมก็เป็นทาน <Yeah. S 1> เมื่อให้แล้วอะไรเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นก็คือบุญนั่นเองบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจ สามารถเอาบุญนี้มาดับความทุกข์วุ่นวายใจต่างๆได้ในระดับของของบุญระดับนี้เช่นเราอาจจะเครียดเราอาจจะไม่สบายใจในเรื่องงเรื่องบางราวพอเราไปทําบุญทําทานขึ้นมาแล้วความทุกข์ความเครียดเหล่านั้นก็อาจจะถูกบุญความสุขความเย็นความสบายมากบเอาไว้ชั่วคราวก่อนก็ได้อาจจะไม่ได้สามารถกําจัดมันได้อย่างท้าวอนแต่อย่างน้อยก็ทําให้ ใจเราหายร้อนหายเครียดบุญนี่เปรียบเหมือนกับเป็นเครื่องปรับอากาศในห้องเวลาห้องมเราร้อนถ้าเรามีเครื่องปรับอากาศเราก็เปิดเครื่องปรับอากาศความร้อนในห้องก็จะหายไปชั่วขณะที่เราเปิดเครื่องไว้แต่พอเราปิดเครื่องความร้อนที่ยังหลงเหลืออยู่ในห้องมันก็ยังจะโผล่ขึ้นมาได้อยู่การทำทานนี้ยังไม่ได กำจัดความทุกข์ความร้อนต่างๆของใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรแต่ทำไปเพื่อให้ปรับอากาศในใจปรับอุณหภูมิในใจของเราให้ลดความความความร้อนลงไปให้ใจเรามีความเย็นหล่อเลี้ยงจิตใจไปบ้างเพื่อจะได้ไม่ทุกข์ทรมานใจมากจนเกินไปการทำทานนี่ ทำแล้วก็จะทำให้ใจเย็นใจสงบใจมีความสุขทำให้ใจที่ร้อนที่วุ่นวายใจนี้คล า, ายความร้อนคลายความวุ่นวายใจลงได้ไปในระดับหนึ่งนี่เกิดเรื่องของทานและทานนี้ก็มีวิธีให้อยู่อยู่สามสี่วิธีด้วยกันวิธีที่เรา ให้ได้ง่ายที่สุดก็คือให้เข้าของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ให้มากให้น้อยไม่สำคัญขอให้เราให้<ม>ถ้าเรามีพอที่จะแบ่งให้ได้<ม>ก็แบ่งไปถึงแม้ว่าข้าของเงินทองหรือทรัพย์สินราคามันอาจจะไม่มากก็ตา ม, มแต่อย่าไปประมาท<ม>เพราะว่าบุญนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของทรัพย์สินเงินทองที่เราบริจาคไป คือมันขึ้นอยู่กับเข้าของแต่มันขึ้นอยู่กับสัดส่วนของทรัพย์สินที่เรามีอยู่ว่าเราบริจาคไปร้อยละเท่าไหร่เช่นถ้าเรามีเงินเดือนเดือนละหมื่นเราบริจาคถ้าเราอยากจะทำบุญร้อยละสิบเราก็บริจาคไปหนึ่งพันบาทแต่ถ้าเรามีรายมีเงินเดือนเดือนละแส น, นแล้วเราอยากจะทำบุญร้อยละสิเราก็ต้องบริจาคไป หนึ่งหมื่นบาทถึงจะได้บุญเท่ากันคนสองคนถ้ามีรายได้ไม่เท่ากันบุญที่บริจาคที่เป็นร้อยละสิบนี้ถึงแม้จะเท่ากันแต่จํานวนเงินจะไม่เท่ากันก่อนที่มีรายได้เดือนละหมื่นทําบุญร้อยละสิบก็บริจาคไปหนึ่งพันบาท คนที่มีรายได้เดือนละแสนถ้าอยากจะทำบุญร้อยละสิบเท่ากับคนที่บริจาคไปหนึ่งพันบาทก็ต้องบริจาคหนึ่งหืนบาทถึงจะได้บุญเท่ากันดังนั้นท่านที่มีเงินน้อยมีทรัพย์สินน้อยไม่ต้องไปกังวลว่าเราไม่ได้ทำบุญมากเหมือนกับคนบางคนที่เขามีทรัพย์สินมากกว่าเราแต่บุญที่เราได้นี้อาจจะ เท่ากันก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของเงินอยู่ที่สัดส่วนของทรัพย์สินที่เราบริจาคไปถ้าเราบริจาคร้อยละสิบทั้งเท่ากันทั้งสองคนเราก็ได้บุญเท่ากันแต่คนที่มีรายได้แสนเดือนเดือนละแสนก็ต้องบริจาคไปหมื่นหนึ่งคนที่มีรายได้เดือนละหมื่นก็บริจาคไปแค่พันเดียวอยันนี้ก็ทำ พูอย่างนี้เพื่อจะได้ให้คนที่มีรายได้น้อยไม่รู้สึกน้อยอกน้อยใจแล้วไม่มีกำลังใจที่อยากจะทำบุญคิดว่าตัวเองมีรายได้น้อยมีเงินน้อยทำไปก็ได้ไม่ได้ไม่เหมือนกับคนที่เขามีเงินมากกว่าแต่เราไม่รู้ว่าบุญนี้เกิดจากการบรยจากทรัพย์สินที่เป็นสัสดส่วนไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินอย่างเดียว เห็นเขาทํางานเขาบริจาคหมื่นหนึ่งเราเราบริจาคพันหนึ่งเราอาจจะได้ความสุขเท่ากับเขากันเพราะว่าเราได้บุญเราได้ทําบุญในระดับเดียวกันได้บริจาคทรัพย์สินในในระดับเดียวกันนี่ก็คือวิธีหนึ่งของการทําบุญด้วยทรัพย์สินเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่ไปถ้าเราไม่มีจริงๆเรา ไม่มีรายได้พอที่จะแบ่งปันไปให้กับการทําบุญทําทานแต่เรามีอย่างอื่นเช่นเราอาจจะมีวิชาความรู้ออในด้านใดด้านหนึ่งออแล้วมีคนที่เขาอยากจะเรียนรู้เราถ้าเรามีเวลาสอนเขาได้ อ, อ, อันนี้ก็เป็นวิวธีการทําบุญอีกอย่างหนึ่ง เ, ออเรียกว่าวิทยาทานออการให้วิชาความรู้ เช่นเรารู้จักวิธีทํากับข้าวกับปลาที่อาหารอาหารที่อริดอร่อยมีคนอยากจะมาขอเรียนเพื่อจะได้ไปเปิดร้านทำมาทำทำมาค้าขายขายขายอาหารเพราะทําเองไม่อร่อยทําเองแล้วไม่มีใครมากินก็อยากจะมาเรียนรู้จากเราเราไม่มีเงินทองที่จะให้เขาเราก็ให้สอนเราก็สอนเขาให้มาเรียนรู้ก็ได้เราเป็นแม่ค้าขาย ขายกับข้าวข้างถนนแต่กับข้าวอร่อยอร่อยมีลูกค้าเยอะอย่างนี้ก็ให้เข้ามาเรียนกับเราก็ได้มาดูเราทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้เรียกว่าวิทยาทานก็ได้ความสุขเหมือนกับการให้เงินให้ทองแล้วคุณค่าของความรู้นี้อาจจะทำให้คนที่เขามาเรียนรู้กับเรานี้สามารถนำไปประกอบอาชีพที่สุดจริบ และทำรายได้ดีขึ้นมาก็ได้ <Yeah. S 1> เรียก ว, วิทยาทานนอกจากวิชาความรู้ทางด้านอาหารทางด้านยับเ ย, ย็บปกักถักร้อยทางด้านเสริมสวยความงามทำเผ้ า, าทำผมทำเล็บทำอะไรต่างๆเหล่านี้ <Yeah. S 1> ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่สามารถแบ่งปันกันได้ไวจกทำให้เป็นทานเกิดขึ้นมาได้เพียง <Yeah. S 1> แต่ว่าเราต้องไม่เรียก <Yeah. S 1> ไม่เรียกข้อ ข้อตอบแทนให้ให้ฟรีสอนฟรีเราก็จะได้ทำวิทยาทานและอีกประการหนึ่งการให้ที่เป็นเป็นบุญเป็นกุศลก็คือการให้ธรรมทานการให้ธรรมะถ้าเราได้อ่านหนังสือธรรมะดีๆอ่าแล้วได้คติสอนใจสอนให้ใจเราอยู่ในกรอบของความถูกต้องดีงาม สอนให้ใจเราอยู่อย่างมีความนุ่มเย็นเป็นสุขเราคิดว่ามีผลมีประโยชน์กับผู้อื่นถ้าเรามีกำลังที่จะไปพิมพ์หนังสือนั้นมาแจกก็สามารถทำได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นการทรรมทาน<ม>เป็นการแจกทานเอาธรรมะที่เราเห็นมีคุณค่ามีคุณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีบทสวดมนต์ต่างๆก็ดี บางทีเราเห็นคนเขาอยากจะสวดมนต์แต่เขาไม่มีหนังสือสวดมนต์เราก็อาจจะพิมพ์หนังสือสวดมนต์มาแจากหรือถ้ามีธรรมะคาสอนของพระครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอแล้วทําให้ใจเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความฉ ล, ลาดเอามาสอนใจให้ให้ดับความทุกข์ทางใจต่างๆได้เห็นเห็นคุณค่าของหนังสือธรรมะเหล่านี้ เราจะเอามาพิมพ์เผยแพร่ก็ได้หรือสมัยนี้เราสามารถแชร์ไปในสื่อโซเชียลต่างๆก็ได้เห็นบทความธรรมะอันไหนที่มีคนมีประโยชน์เป็นสติเตือนใจก็สามารถแชร์ไปให้กับผู้ที่เขาไม่รู้ก็ได้ อ, อันนี้ก็เรียกว่าธรรมทาน แต่การให้ก็ต้องดูคนที่เขารับว่าเขายินดีจะรับหรือไม่ด้วยถ้าเขาเป็นคนไม่สนใจธรรมะก็อย่าไปให้เขาจะดีกว่าให้แล้วเดี๋ยวก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้ไปแล้วเขาก็เก็บหนังสือไว้เฉยๆไม่เอามาอ่านส่งข้อความไปเขาก็ลบทิ้งลบทิ้งไปไม่ได้ดูถ้าอย่างนี้ก็อย่าไปทําให้เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์ เราต้องดูว่าผู้ที่จะรับธรรมานีเขาพร้อมที่จะรับเขายินดีที่จะรับหรือไม่ถ้าเขาพร้อมที่เขาจะรับเขายินดีก็ให้เขาไปอันนี้ก็จะทำให้ใจเรามีความสุขเพ่าเราได้แบ่งปันวิธีการดับความทุกข์ให้กับผู้อื่นพอผู้อื่นมีความทุกข์เขาก็สามารถเอาความความรู้ที่เราแชร์ไปให้กับเขา ดับความทุกข์ใจของเขาได้เขาจะได้ไม่ต้องไปฆ่าตัวตายกัน <então S 2> คนสมัย น, นี้ฆ่าตัวตายกันก็เพราะว่าไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ทางใจเวลาเกิดความทุกข์ทางใจแล้วหาทางออกไม่ได้ก็ <mm> คิดว่าทางออกเดียวก็คือการฆ่าตัวตายแต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ไปดับความทุกข์ทางใจเ <mm> พราะร่างกายไม่ได้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทางใจ <mm> ต้นเหตุของความทุกข์ทางใจก็คือตัณหาความอยากที่ได้แสดงไว้ในเบื้องต้นในอันที่สองที่เราได้จากการสั่งทาความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราอยากอยู่อยากเจริญร่ํารวยในราบยศสารเสริญสุขอยากไม่ให้สูญเสียราบยศสารเสริญสุขไปพอไม่รวยไม่เจริญก็ทุกข์ใจหรือเจริญแล้วสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไป ก็เศร้าโศกเสียใจอยากจะได้คืนมามันก็ไม่กลับคืนมาอยู่แบบไม่มีราบยศเสริญศุขก็อยู่ไม่ได้ก็เลยคิดฆ่าตัวตายฆ่าร่างกายมันไม่ได้ทำทำให้ดับความทุกข์ทางใจทุกข์ทางใจก็ยังอยู่ในใจต่อไปแต่การฆ่านี้กลับเป็นการสร้างเพิ่มความทุกข์สร้างบาปกรรมให้กับใจพอตายไปแล้วแทนที่จะ ไปอยู่สวรรค์ก็ไปไม่ได้ต้องไปนรกแทนเพราะบาปจากการฆ่าตัวตายนี้มันจะส่งให้ไปใช้กรรมในนรกก่อนแต่ถ้ารู้จักวิธีมีทำหนังสือธรรมะมาได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เรียนรู้ว่าเวลาทุกข์ใจก็ต้องหัดทำใจต้องลดละความอยากยอมรับความยอมรับความจริงว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดา มีได้ก็ต้องมีเสียมีมาก็ต้องมีไปไม่มีอะไรที่เราจะได้ตลอดลทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานี้ก็เป็นของชั่วคราวเพราะเวลาเรามาเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยแม้แต่ชิ้นเดียวและเวลาเราไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปกับเราชเช่นเดียวกันเพราะเราจะมาเศร้าโศกเสียใจกับของที่เราจะเอาไปไม่ได้ทำไม แต่ถ้ามีปัญญาแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับการสูญเสียกับการกับการผิดหวังกับการไม่ได้สิ่งที่อยากได้<ม>เพราะรู้ว่าได้ก็เท่านั้น<ม>ได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องหมดไปอยู่ดี<ม>เสียไปก็มันก็ต้องเสียห้ามมันไม่ได้<ม>อย่างนี้ก็จะทําใจได้ก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้<ม>ก็ไม่มีเหตุที่ต้องฆ่าตัวตายได้ คนที่ฆ่าตัวตายนี้รับประกันได้ว่า1้0ทั้งร้อยนี้ไม่รู้จักธรรมะเลยไม่รู้จักเรื่องของทุกข์ว่าเกิดจากตัณหาความอยากของตนเองแล้วสิ่งที่ต้องฆ่ามันไม่ใช่ร่างกายเพราะร่างกายไม่ได้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากต่างๆที่มีในใจที่อยากอยากแล้วไม่ได้หนังใจอยากก็เลยทำให้ทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าหยุดความอยากได้ด้วยการไปปฏิบัติธรรมฝึกสตินั่งสมาธิหรือฟังเทศฟังธรรมสอนใจวา่าเราอยู่ในโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกที่มีการเจริญและมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาที่เราไม่สามารถบังคับควบคุมได้ให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าไปอยากจะให้มันเป็นไปแล้วมันไม่เป็นไปก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าไม่มีความอยากให้มันเป็นไปปล่อยให้มันเป็นไปตามตามเหตุตามปัจจัยของมันใจของเราก็จะไม่ทุกข์<ม> น, นี่คืออนิสงส์ประโยชน์ของการให้ธรรมทานอาจจะช่วยชีวิตคนที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราได้ช่วยเขาก็ได้<ม>เขาอาจจะคิดค่าตัวตายแล้วพอดีได้อา่านได้ได้ยินได้ฟังธรรมที่กําลังพูดอยู่ในขณะนี้เขาก็อาจจะได้อะไรเตือนสติ<ม>ว่า การฆ่าตัวตายไม่ได้เป็นการกาจัดความทุกข์ใจเพราะร่างกายไม่ได้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ<ม>ต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจที่ต้องฆ่าให้ได้การฆ่ากิเลสตัณหานีไม่บาป<ม>ตายแล้วได้ไปสวรรค์ได้ไปนิพพาน<ม>อย่างพระพุทธเจ้าสอนองคุลิมานว่าอย่าไปฆ่าคนอื่นฆ<ม>่าคนอื่นแล้วต้องไปตกนรก ให้ฆ่ากิเลสความโลภความอยากต่างๆพอองคุลิมานเข้าใจเปลี่ยนเป้าหมายของการฆ่าแทนที่จะไปฆ่าคนกับเปลี่ยนกรรมาฆ่ากิเลสตัณหาความโลภความอยากความโกรธความหลงพอฆ่าไอ้สามตัวนี้ได้แล้วทีนี้ อ, องคุลิมานก็เลยได้ไปนิพพานแทนถึงแม้จะได้ทํำบาปทากรรมมามากฆ่าคนเป็นถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแต่ อันิสงส์หรือผลของบาปนั้นมันตา ม, ตามตามดวงจิตดวงวิญญาณขององค์คฤิมานไปไม่ได้เพราะองค์คฤิมานมันจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วถ้าไม่กลับมาเกิดก็ไม่ต้องกลับมาใช้เวรใช้กรรมอีกต่อไปไม่ต้องกลับไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นไปตกนรกม่ต้องเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ต้องมาเจอกับเจ้า ก, ากรรมนายเวรต่างๆที่คอยจองเวรจองกรรมอยู่นี่แหละคือวิธีการฆ่าที่ถูกต้อง เป็นการฆ่าที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ได้พาให้ไปสู่นรกแต่พาให้ไปสู่สวรรค์ไปสู่พระนิพพานตามลําดับ mm hmm. ก็คือให้ฆ่ากิเลสตัณหาต้นเหตุของความทุกข์ใจต่างๆให้หมดสิ้นไป mm hmm. นี่คืออา น, นิสงส์ที่ที่ธรรมะธรรมทานจะทําให้เกิดขึ้นได้พระพุ mm hmm. ธธทธเจ้าดึงทรงยกย่องว่าการให้ธรรมทานนี้ชนะการให้ทั้งปวง mm hmm. ให้เงินให้ทองนี่มันก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนทางร่างกายได้ช่วยข่าวเช่นไม่มีข้าวกินให้เงินเขาไปซื้อข้าวมากินไม่มีที่อยู่อยู่อาศัยก็ไปเช่าห้องเช่าบ้านให้เขาอยู่จ่ายช่วยจ่ายค่าเช่าบ้านเขาไปพังพัก่อนในช่วงที่เขาตกทุกข์ได้ยากไม่มีไรายได้เราก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ของเขาได้ด้วยการให้เงินให้ทองแต่ แต่จะไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจที่เกิดจากเรื่องอื่นได้แต่ถ้าให้ธรรมะกับเขาเขาอาจจะทำใจว่าไม่มีข้าวกินก็อดไปก่อนก็แล้วกันอดมือกินมือพระพุทธเจ้าอดทั้งสี่สิบเก้าวันยังไม่ตายเลยเราอดแค่เพียงแค่มือสองมื้อจะไปตายทำไมก็ทำให้ใจมีกำลังสู้แล้วทำให้ใจมีกำลังที่จะไปหาอาหารองอาหารมาด้วยด้วยตัวของตนเอง ไปเก็บขยะก็ได้มีทรัพย์อยู่ข้างถนนเต็มไปหมดถ้ารู้จกักถ้ารู้ถ้ามีปัญญาเห็นขวดเปล่าทั้งหลายเห็นขวดพลาสติกเห็นอะไร เ, เป็นของที่เอามาขายได้อาจจะมีราคาไม่มากแต่ถ้าเก็บมากๆมันก็เป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาสามารถเอามาเลี้ยงชีพได้ บางคนนี่ทํามาชีพจากการไปซื้อของขยะซื้อขยะมาขายเศษเหล็กเศษอะไรต่างๆที่เขาไม่ใช้แล้วนี่ยังมีประโยชน์เอามาขายได้ออ mm hmm. อันนี้ก็คือการให้เงินให้ทองแต่จะไม่ได้บรรเทาความทุกข์ใจหรือดับความทุกข์ใจถ้าอยากจะฆ่าตัวตายให้เงินให้ทองก็ก็หยุดความทุกข์ใจไม่ได้ให้ข้าวของให้ข้าวเขากินอะไรนี้ก็ดับความทุกข์ทางใจก็ไม่ได้ แต่ถ้าให้ธรรมะแล้วดับความทุกข์ทางใจได้งั้นการให้ธรรมะนี่ชนะการให้ทั้งปวงแต่ต้องเป็นธรรมะที่ที่แท้ที่จริงหรือธรรมะจากผู้รู้จริงๆหรือธรรมะของจากพระพุทธเจ้าเองก็ดีหรือธรรมะจากพระสุ ป, ปฏิปันโนทั้งหลายก็ดียาวธรรมะของเราที่เรานึกคิดฟังเทศฟังธรรมแล้วเอาไปสอนคนอื่นเพราะธรรมะของเรานี้ยังเป็นธรรมะที่ยังไม่ได้รับการ การพิสูจน์จากการปฏิบัติว่าเป็นทมแท้หรือทมปลอมว่าเป็นทองทาแท้หรือทองปลอมต้องได้รับการพิสูจน์จากการปฏิบัติก่อนแลาใช้ธรรมะนี้ดับความทุกข์ใจเราได้ก่อนดับความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายของเราให้ได้ก่อนถ้าใช้ถ้าได้แล้วค่อยออกไปสอนคนอื่นได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้พิสูจน์ยังไม่ได้รู้จริงเพียงแต่เราได้ได้ยินได้ฟังได้อ่าน แล้วเราเกิดความรู้สึกว่าเราจะเราไม่ทุกข์แล้วนีมันก็ยังไ ม, ไ ม, ไม่ไม่แน่นอนว่าเป็นความจริงหรือไม่ต้องเจอกับความทุกข์ใจจริงๆก่อน ต, อต้องเจอกับความคิดอยากจะฆ่าตัวตายก่อนแล้วได้สติคืนมา ว, ว่าการฆ่าตัวตายไม่ได้เป็นการแก้ความทุกข์ทางใจแต่อย่างใดอันนี้แหละถึงจะสามารถนำมาไปสอนผู้อื่นได้ ถ้าเราไม่มีธรรมะของเราเราก็เอาธรรมะของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้ามาแชร์ได้มาแจกได้มาทำเป็นทานได้ น, นี้ก็คือวิธีการให้ทานไม่ต้องไม่จำเป็นว่าจะต้องให้แต่เงินแต่ทองอย่างเดียวให้ความรู้อย่างเดียวให้ธรรมะก็ได้ถ้าเรารู้ธรรมะแล้วการให้อีกอย่างก็เรียกว่าการให้อภัยอภัยทานคือการ ไม่จองเวรจองกรรมกันเวลาใครเขาทําให้เราโกรธทาให้เราแค้นทาให้เราทุกข์ยากเดือดร้อนขึ้นมาแทนที่จะไปอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันเราก็ให้อภัยเขาไปอาเวลาโหนตุสเปสตาอาเวลาโหตุคือการให้ความเมตตาความเมตตาก็คือการให้อภัยถ้าเราอยากจะแผ่เมตตาเนี่ยเราต้องแผ่ตอนที่เราโกรธ ไม่ใช่มาแผ่ตอนที่เรานั่งไหว้พระสวดมนต์การนั่งไหวพ้พระสวดมนต์นี้ไม่ได้เป็นการแผ่เพราะไม่มีผู้รับต้องมีผู้รับต้องมีเหตุการณ์จริงปรากฏขึ้นการสวดนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาการสวดนี้เป็นการเตือนสติสอนใจให้เรารู้จักวิธีแผ่เมตตาว่าต้องแผ่อ ย, อย่างไรบ้างเชนอเวลาหนนตุเราอย่าจองเวรจองกรรมกันเราต้องเอาไปใช้ในขณะที่เกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมา เวลาที่เราไปเจอเหตุการณ์คนใดคนหนึ่งมาทำให้เราเกิดความเสียหายขับรถอยู่ดีๆก็มาชนท้ายเราอย่างนี้เราก็โกรธขึ้นมาอยากจะฆ่าอยากจะจับเข้าคุกเข้าตารางพอได้สติว่าแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรรถมันก็พังอยู่ดีไปสร้างเวรสร้างกรรมกันทำไมให้ให้เขาไปเถิดถ้าเรามีประกันก็ประกันเขาจะซ่อมให้อยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวเป็นเวรเป็นกรรม เขาอาจจะไม่มีสติเถลอแล้วขับมาโดยไม่ได้รู้สึกตัวกำลังพูดคุยกับใครอยู่ก็ได้แล้วเขาอาจจะไม่มีเงินทองที่จะมาจ่ายค่าซ่อมให้กับเราก็ได้ถ้าเราอยากมีความเมตตาให้ความเมตตาเขาเราก็อเวลาหุนตัอให้อภัยไปอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนลิ้นกับฟันบางทีมันก็ต้องพลาดพังมีการขบกันได้เหมือนกันพอเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็หายโกรธ ใจเราก็เย็นใจแล้วก็เกิดความสุขใจขึ้นมาความสบายใจขึ้นมาความคิดอาฆาตพยาบาทก็หายไปแล้วจะป้องกันไม่ให้เราไปทําบาปด้วยเพราะถ้าเรายังมีความอาฆาตพยาบาทอยู่เดี๋ยวไม่ไม่ช้าก็เร็วเราอาจจะต้องไปทําร้ายเขาทําร้ายเขาไม่ว่าด้วยสาเหตุอันใดก็ตามเขาทําให้เราเสียหายหรือไม่ก็ตามถ้าเราไปทําร้ายเขานี่มันก็เป็นบาปเหมือนกัน ไม่มีข้อห้ามไม่มีข้ออ้างว่าถ้าเขาทําร้ายเราแล้วเ ร, เ, รเรากลับไปทําร้ายขาเขาแล้วไม่บาปนี่ไม่จริงไม่ถูกมันก็บาปอยู่ดีถ้าไม่อยากสร้างบาปไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมก็ใช้ความเมตตาอาเวลาโหนตุให้ให้อภัยเขาไปนี่เรียกว่าอภัยทานถ้าให้อภัยได้แล้วใจเราจะสุขใจเราจะสบายใจเราจะเย็นเราชนะความโกรธของเราได้พระพุทธเจ้าบอก ชนะผู้อื่นเป็นร้อยเท่าเป็นแสนเท่าก็สู้ชนะตนเองไม่ได้ชนะความโกรธของตนเองไม่ได้เพราะการชนะผู้อื่นก็ไปสร้างสร้างเวรสร้างกรรมให้กับผู้อื่นเขาก็จะจองเวรจองกรรมเราถ้าเขาชนะเราเราก็จะไปจองเวรจองกรรมเขาแต่ถ้าเราชนะความอาฆาตพยาบาทความโกรธที่มีในตัวเราได้ใจเราก็จะสงบใจเราก็จะเย็นสบาย ไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่มีเวมีกรรมกับใครต่อไปนี่คือทานชนิดที่สี่เรียกว่าอาภัยทานที่เราสามารถใช้ได้ในแล้วแต่ในกรณีว่าคนจะใช้แบบไหนมีแบบไหนใช้แบบไหนได้ก็ใช้ไปอันนี้ก็คือเรื่องของการสร้างบุญสร้างความสุขใจให้กับเราเอง ด้วยการทำบุญทำทาน mm hmm. มีมากมีน้อยก็ทำได้ไม่มีก็ใช้อย่างอื่น mm hmm. ให้อย่างอื่นได้ให้ความรู้วิชาความรู้ได้ให้ธรรมะได้ mm hmm. ให้อภัยได้ mm hmm. ไม่ต้องใช้เงินใช้ทอง mm hmm. นี่ก็คือเรื่องของการทำบุญที่เกิดทำให้เกิดความสุขใจ mm hmm. พอเราทำทานถ้าเราทำทานด้วยการถอยข้าวขอ ง, ของเงินทองทรัพย์สินอะไรต่างๆไปนีเราก็จะเกิดความเกิดบุญขึ้นมา เกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจนี้เราสามารถแบ่งไปให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้ผู้ที่มีดวงวิญญาณผู้ที่ไม่สามารถทําบุญได้ด้วยตัวเอง <S <S เราก็สามารถแบ่งบุญนี้ให้กับเขาได้เหมือนแบ่งอาหารให้เขากินแล้วบุญนี้เป็นอาหารของใจเวลาเราทําบุญแล้วเราเกิดความสุขใจอิ่มใจแล้วเราเป็นห่วงพ่อแม่ของเราที่ตายไปแล้วปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วหรือคนญาติสนิทมิตรสหายที่ตายไปแล้วว่าเขาอาจจะ ไม่มีบุญพอทําะไฮะเขอาจจะหิวบุญอยู่รอรับส่วนบุญอยู่พอเราได้ทําบุญทําทานเราก็สามารถแบ่งบุญนี้ไปได้ก็นี่ก็เป็นวิธีทําบุญอีกวิธีหนึ่งแบ่งบุญให้เขาแล้วเราก็จะได้บุญกลับมาอีกชั้นหนึ่งคือบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญให้กับผู้อื่นด้วยนี่ก็คือเป็นการทําประโยชน์ได้สองต่อทําประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ร่งลับไปแล้วด้วยการอุทิศบุญที่เราทําไป แล้วพอเราได้อุทิศบุญนะมันก็ทำให้เกิดทาให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาที่เราได้ทำสิ่งที่ดีกับคนที่เรารักเราเคารพที่ล่วงรับจากโลกนี้ไปแล้วอันนี้ก็เรียกว่าอนุโมทนาการอุทิศบุญนี่อันนี้เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราเลยทุกครั้งเวลาที่เราทำบุญกระเสร็จเราก็จะกรวดน้ำอุทิศบุญกันแต่ความจริงอุทิศบุญนี้ความจริงไม่ต้องใช้น้ำก็ได้น้านี้เป็นเพียงสั ญ, ญลักษณ์ ให้เราเปรียบเทียบว่าเออเวลาเราเทน้ําจากภาชนะหนึ่งไปสู่อีกภาชนะหนึ่งนี้เรากําลังส่งบุญจากใจเราไปสู่ดวงวิญญาณจากใจไปสู่อีกใจหนึ่งที่เป็นดวงวิญญาณแล้วท่า น, นั้นเองดงนั้นการอุการจะอุทิศบุญนี้ยังไม่จําเป็นที่จะต้องใช้น้ําถ้าไม่มีน้ําก็ไม่ต้องใช้แล้วก็ไม่ต้องมีพระมาสวดญถาสักพีให้ให้ฟังด้วย เพราะการสวดของพระนี้ก็ไม่เกี่ยวกับการอุทิศบุญแต่อย่างใดการสวดของพระเป็นการสอ น, สอนบอกว่าบุญที่เราทำนี้เราสามารถที่จะเอาไปแบ่งให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้ถ้าเราอยากอยากจะช่วยคนที่ตายไปแล้วที่ไม่สามารถสร้างบุญได้ได้ด้วยตนเองเราสามารถส่งบุญนี้ไปให้เขาเพื่อเขาจะได้อยู่ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้น อ, อันนี้ เป็นการสวดสอนไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นการร่วมอุทิศไม่ไม่ไม่เป็นเหตุไม่เป็นปัจจัยที่จะต้องใช้ในการอุทิศบุญแต่อย่างใดส่วนแรกพระพระสองอ์ท่านจะสวดเรื่องการอุทิศบุญแล้วส่วนที่สองพอท่านสวดพร้อมกันที่เรียกว่าย่าถาสัพพีตอนต้นย่าถาการญ่าถานี้เขาเรียกว่าเป็นการสอนอุทิศบุญ บุญที่เราทํานี้เราสามารถแบ่งให้กับผู้ล่วงรับไปแล้วได้แล้วพอพระทั้งหมดสวดพร้อมกันนั่นเรียกสัพพีสัพพีนี้หมายถึงพระให้พรเราสอนเราว่าการทําบุญทําทานการช่วยเหลือผู้นี้เป็นอ น, นิสงส์จะมีอ น, นิสงส์อยู่สี่ประการก็คือเราจะเจริญด้วยอายุวันณนะสุขภาระเป็นต้นอันนี้เป็นการสอนเป็นการเทศให้ฟังด้วยการสวด แต่ถ้าเราไม่มีพระมาเทศมาสอนเราจะกดน้ําเองได้เป็นสายบาตรพอเวลาสายบาตเสร็จปั๊บเราก็เราก็อุทิศไปภายในใจเราเลยก็ได้จะนั่งจะยืนยาอะไรก็ได้ไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ใจเราต้องอุทิศว่าขอขออุทิศส่วนบุญนี้ขอแบ่งส่วนบุญนี้ให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเช่นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายบาหรือใครก็ตามครูบาอาจารย์ที่ล่วงรับไปแล้ว ถ้าท่านยังรอรับบุญอยู่ mm hmm. ก็ขอให้ท่านมารับบุญส่วนนี้ไปด้วยด้เถ mm ิด hmm. แค่นี้ก็ถือว่าเราได้อุทิศบุญไปแล้ว mm hmm. นี่ก็คือการทำบุญคู่กับการทำทา น, นเวลาเราให้อะไรไปแล้วนี่ใจเราจะมีบุญขึ้นมามีความอิ่มใจสุขใจเราก็สามารถแบ่งบุญนี้ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้เพราะผู้ที่รวงรับไปแล้วไม่สามารถทาบุญได้เอง mm hmm. แต่เราไม่ต้องไปแบ่งเราอุทิศบุญให้กับคนที่ยังไม่ตายไม่ได้เพราะคนที่ไม่ตายเขาทำบุญเองได้อยู่เราก็บอกเขาชวนเขาให้ไปทำบุญกันเช่นช่วง น, นี้มีบุญกระถินเยอะวัดนู้นวัดนี้มีการทำบุญอยู่ถ้าอยากให้เพื่อนฝูงมีบุญก็ลองชวนเขาไปดูเผื่อเขาอาจจะไปก็ได้เพราะบางทีเขาไม่มีรถเองจะไปเดินทางไปทาบุญมันก็ไม่สะดวกพอมีใครมาชวนมาเชิญไปนี่เขาก็อาจจะเออดีเหมือนกันได้ทาบุญกัน แ้บุญที่เขาทำในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้จะได้มากกว่าบุญที่ได้จากการอุทิตตอนที่ตายไปแล้วดังนั้นสำหรับคนที่เป็นเราจึงไม่นิยมอุทิตบุญให้กับคนเป็นเราจะชวนเชิญให้คนที่มีชีวิตอยู่นี้ไปทำบุญร่วมกันอันนี้ก็คือเรื่องของการทำบุญทำทานทำบุญแล้วก็อุทิตบุญอุทิตแล้วก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง ก็นําไปสู่ข้อที่ข้อต่อมาคือการอนุโมทนาบุญเวลาใครเขาทําบุญนี้เราเห็นว่าเป็นการกระทําที่ดีมีคุณมีประโยชน์เราก็อนุโมทนาก็คือสนับสนุนชื่นชมยินดีบางทีอาจจะช่วยเขาในบางเรื่องบางราวเช่นเรามีคนงานที่ทํางานกับเราเขาขอลาไปบวชสามเดือนเราเห็นว่าการบวชนี้เป็นการกระทําบุญที่ดี ถ้าเราอยากจะอนุโมทนาล้วก็อนุญาตให้เขาไปโดยไม่ไม่ได้มีไม่ได้บังคับให้เขาต้องลาออกจากงานแต่อย่างใดบางบริษัทนี้เขาเคี่ยวเวลาใครจะลาไปยาวๆนี่เขาจะไม่ให้ลาถ้าจะลาก็ต้องลาออกไปแต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธเรามีอนุโมทนาบุญเวลาคนงานของเรา เขาอยากจะขอลาไปบวชบางทีอาจจะบวชอุทิศให้พ่อแม่พ่อแม่เพิ่งตายไปอยากจะบวชสักเดือนอุทิศบุญให้กับพ่อแม่แล้วก็อนุโมทนาก็คือไม่ขัดขวางในการทําบุญของเขาส่งเสริมช่วยเหลือเขาดีไมด่ดีอาจจะไม่ตัดเงินเดือนด้วยเสียทำไปก็มีอา้าไปบวชก็ตามไม่ได้ทํางานลาหนึ่งเดือนก็ให้ลาแบบมีมีเงินเดือนไม่ได้ตัดเงินเดือนก็ได้อย่างนี้เ ร, เรียกว่าอนุโมทนาบุญ ไม่ใช่สาธุเฉยๆเวลาใครเขาบอกว่าจะไปทำบุญเขาบอกสาธุสาธุการพูดสาธุนี่มันได้บุญนิดเดียวไม่เหมือนกับการสนับสนุนเขาถ้าก็จะไปทำบุญถามาว่ามีรถไปหรือเปล่าไม่มีจะขับไปส่งให้อย่างนี้เลยเรียกว่าอนุโมทนาบุญไม่ขัดขวางเขาอย่าไปบอกว่าอย่าไปทำบุญเลยทำบุญแล้วเสียเงินเปล่า ทำบุญแล้วไม่รู้จะได้อะไรหรือเปล่าสวรรค์นรกมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทําไปทำไมให้เสียเวลาอย่างนี้ไม่เรียกว่าอนุโมทนาบุญอันนี้เรียกว่าขัดขัดขัดขวางการทําบุญของผู้อื่นอย่าไปสร้างความดังเลยสงสัยให้กับผู้อื่นต้องสนับสนุนให้เขามีความมั่นใจว่าทําบุญนดีทําบุญตามคําสอนของพระเจ้านี้เป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงอ น, นี่คือการอนุโมทนาบุญ เวลาที่มีใครเขาจะทำบุญแล้วเราไปรับรู้เราอยากจะร่วมอนุโมท น, นาเราก็ร่วมไปตามตามฐ า, านะของเราอันนี้ก็คือการทำบุญอีกข้อหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดความสุขใจได้บุญขึ้นมาแล้วบุญอีกข้อหนึ่งก็คือการเป็นการรับใช้ผู้อื่นเขาเรียกว่าเป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือสังคมโดยไม่เรียกข้อตอบแทน บางคนมาวัดแล้วเห็นวัดนี้มีเวลาล้างถ้วยล้างชามนี่เยอะมีแต่คนกินแต่คนล้างไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็สลับเวลาท่าหน่อยอยู่วัดยังไม่รีบกลับไม่รีบกลับบ้านมาช่วยล้างชามให้ให้ใหใช้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกลับวันบางท่านก็เห็นว่าห้องน้ําไม่ค่อยสะอาดก็มาทําความสะอาดห้องน้ําอย่างนี้ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญ อ, อย่างหนึง่งไม่ต้องใช้เงินใช้ทางเพียงแต่ต้องใช้กำลังกายใช้เวลาที่เรามีเวลาว่างบางทีเรามาทำบุญแล้วมันเราเห็นว่ามีข้าวของอะไรที่ต้องช่วยกันรักษาทำความสะอาดแต่คนไม่พออย่างนี้เราก็มาช่วยกันเรียกว่าเป็นจิตอาสาหรือทางสังคมก็เช่นช่วยเวลาเกิดมีอุทกภยัยมี น้ำท่วมละต้องการคนอาสาสมัครมาช่วยขนข้าวขนของไปแจกไปจ่ายอะไรทำนองนี้โดยที่ตัวเราเองไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องใช้เงินใช้ทองซื้อข้าวซื้อของไปแจกแต่เราอุทิศเวลาของเราอุทิศกำลังกายของเราช่วยเหลือผู้รับใช้ผูอ้อันนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าจิตอาสาเป็นจิตอาสาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างความสุขใจ ที่อยู่ในกรอบของการทำบุญทำทานการให้แล้วต่อมาข้อต่อมาที่เราสามารถจะสร้างบุญสร้างความสุขใจให้กับเราได้ก็คือการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสา ม, มาคารวะอันนี้เวลาที่เราพ่อขาใครก็ตามถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนมีคารวะสามมาคารวะนี้เราจะไม่มีใครข้อรังเกียจเราจะมีแต่คนรักคนชอบเราหรือว่าเราเป็นคนที่ เป็นคนที่มีความไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอัตตาตัวตนไม่ยึดไม่มีมานะถือตัวถือตนการจะเข้าคบคาสมาคอมเบิกครนี้เข้าด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนได้เนะี่ยดีที่สุดเพราะเป็นเป็นใบเบิกทางที่จะทําให้เราสามารถที่จะรู้จักคนนั้นคนนี้สนิทสนมกับคนนั้ น, คน น, นคนนี้ได้อย่างดีก็คือการไม่การําตนให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนน แล้วข้อต่อมาก็คือให้เรามีศีลละเว้นจากการทําบาปเนีอย่าไปเบียดเบียนผู้อย่าไปฆ่าผู้อย่าไปทำร้ายผู้อย่าไปทําให้เขาเสียหายด้วยการถือศีลห้าละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเพณีละเว้นจากการพูดปดละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาต่างๆพล้วถ้าเราละเว้นได้เราก็จะ ปิดประตูอาบายได้ถ้าเราตายไปเราไม่ต้องไปเกิดในอาบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็ น, ปปป น, นสุรกายไม่ต้องไปตกนรกเพราะว่าสถานที่เหล่านี้เป็นเหมือนคุกตารางนั่นเองถ้าเราไม่ทําผิดกฎหมายเขาก็จะไม่จับเราไปเข้าคุกเข้าตารางแต่พอเราทําผิดกฎหมายปับ๊บเนี่ก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจเชิญเข้าไปเดนคุกในตารางก่อนต้องเอา ต้องต้องจับไปกากขังก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้วก็ต้องรอให้ศาลตัดสินอีกทีหนึ่งว่าผิดหรือถูกถ้าผิดก็ต้องถูกรั้งขั้งโทษต่อไปถ้าถูกก็ปล่อยให้ออกมาได้ <Okay. S 1> แต่ถ้าเราถ้าไม่ทำผิดศีลไม่ทำผิดกฎหมายแล้วเราก็จะปลอดภัยจากคุกจากตารางทั้งทางทางโลกและทางทางธรรมทางธรรมก็คือไม่ต้องไปเกิดนยบาย ให้น้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องมาเป็นสุนัขมาเป็นแมวเป็นวัวเป็นควายให้เขาฆ่าเพราะเราไปฆ่าเขาก่อนเราเราฆ่าเขาก่อนแล้วชาตินี้ชาติหน้าเราก็ต้องไปฆ่าเขาเราก็เราก็ต้องไปเกิดให้เขามาฆ่าเราแทนนี่คือเรื่องของบาปกรรมเราอย่าทําบาปทํากรรมถ้าเราอยากจะไม่มีความทุกข์ใจจากการกระทำถ้าเราอยากจะมีความสุขใจสบายใจรักษาศีลห้าไว้ให้ดี วเวลาเรารักษาสินห้าได้เราใจเรารู้สึกจะสบายไม่หวาดวิตกกับความกับโทษต่างๆเพราะเราไม่ได้ทําโทษอะไรโทษมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราอันนี้ก็คือการทําบุญนี้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้จิตใจเราตกต่ำให้เรารักษาระดับของใจของเราที่ตอนนี้เป็นมนุษย์ไว้ให้อยู่เป็นมนุษย์ต่อไปได้ก็คือการไม่ทําบา ถ้าเราเริ่มทำบาปเมื่อไหร่แล้วใจเราก็จะค่อยๆเสื่อมไปเสื่อมตามบาปที่เราทำถ้าทำบาปด้วยความหลงก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานใจเราก็จะเป็นเดรัจฉานไปเทละเล็กเท่าน้อยทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเป็นมากขึ้นมากขึ้นไปพอเวลาตายไปแทนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อน ท, ทันทีกลับมาเกิดไม่ได้ต้องไปใช้บาปกรรมก่อนต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนเป็นต้นอันนี้ก็คือวิธี ดับความทุกข์ทางใจไม่ต้องไปทุกข์กับการที่จะต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นนรกแลกายหรือไปตกนรกที่เกิดจากการกระทาบาปของเรา<ม>พอเรารักษาศีลได้แล้วเราก็สามารถที่จะไปทำบุญขั้นที่สูงกว่าการการทำทานกับการรักษาศีลได้ก็คือการไปภาวนา<ม>การภาวนาก็คือการไปสร้างความสงบให้กับใจสร้างปัญญาให้กับใจ พอเราต้องการความสงบและปัญญานี้มาดับต้นเหตุตัวที่มันไปสร้างความทุกข์ทางใจให้กับเราก็คือกิเลสตัณหาในนี้กิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาต่างๆนี้จะไม่สามารถทำลายได้ด้วยการทำทานไม่สามารถทำลายได้ด้วยการรักษาสินเพียงแต่ปลามันไว้ป้องกันลดลดปริมาณให้มันน้อยลงไปแต่ไม่สามารถกำจัดให้มันหายไปจากใจได้ สิ่งที่จะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจได้ต้องเกิดจากการภาวนา mm hmm. การภาวนาคือการปฏิบัติธรรมสมถาภาวนาทำใจให้สงบวิปัสสนาภาวนาทำใจให้ฉลาดให้รู้ว่ากิเลสตัณหาเป็นตัวเป็นตัวสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจเป็นตัวที่พาให้ใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าต้องการจะหยุดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชา ก็ต้องมีปัญญาเห็นตายรักเห็นว่าสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปมันก็จะทําให้ทุกข์มันเป็นอนัตตาควบคุมบังคับสั่งให้มันอยู่กับเราเป็นของเราให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้อได้อะไรมาแล้วไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมไปหมดไป พอมันเสื่อมไปหมดไปจากเราไปแต่ว่าจะทําให้ใจเราเศร้าใจเราทุกข์อพอเราเห็นเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเช่นราบยศสารเสริญสุขนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาความอยากที่จะได้สิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปอพอ เ, เห็นทุกอย่างเป็นตายลักหมดความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นจากความหลงก็จะหายไปหมดความอยากพอความความอยากความโลภตั้งหมดไปความโกรธ ก, ก็หมดไป ใจก็สะอาดบริสุทธิเป็นพระนิพานขึ้นมาไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกต่อไปพอเราได้พัฒนิพานได้ความสุขอันเลิศอันประเสริฐแล้วทีนี้เราก็สามารถเอาธรรมะที่เราได้เรียนรู้ได้ปฏิบัตินี้ไปเผยแผ่ต่อไปเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกอันนี้เป็นธรรมแท้ธรรมที่ได้จากการปฏิบัติจิตตภาวนานี้เราสามารถเอาธรรมนี้ไปสอนใครก็ได้ถ้าเขาถ้าเขายิน ด, ดีถ้าเขาต้องการ แต่ถ้าเขาไม่ยินดีเขาไม่ต้องการก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสอนเขาสอนไปก็เสียเวลาเปล่าๆท่านบอกว่าเอาธรรมะสอนคนที่ไม่สนใจก็เหมือนกับเทน้าใส่หลังสุนัขเนี่ยเทน้ำใส่หลังสุนัขเนี่มันก็สะบัด ท, ทิ้งหมดมเอาธรรมะดีๆไปสอนให้คนที่ไม่สนใจเขาก็กดทิ้ง<ม>เขาก็ลบทิ้งไปหมดเพราะเขาไม่สนใจ<ม>เขาไม่ยินดี อย่งการแสดงธรรมการสอนสอนธรรมะกับคนที่ต้องดูว่าเขายินดีหรือไม่เขาอยากจะฟังหรือไม่ถ้าก็ไม่ยินดีไม่อยากจะฟังถึงแม้ว่าเป็นของวิเศษขนาดไหนก็ไม่มีคนมีประโยชน์กับเขาแต่อย่างใดการังการแสดงธรรมการเผยแผ่ธรรมก็ต้องรู้จักคนที่จะรับว่าเขารับได้หรือไม่ถ้าเขารับไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปสอนเขารอให้เขาพร้อมก่อนนี่คือวิธีการทำบุญสิบประการด้วยกัน ที่ทุกคนสามารถเลือกทําได้ตามกําลังตามฐานะของตนทําไปเรื่อยๆทําให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเหมือนเดี๋ยวมันก็จะพาให้เราขึ้นมาสู่การปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปได้ก็คือการการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอเราได้ศีลสมาธิปัญญาเราก็จะทําให้ใจของเรานี้ไม่มีกิเลสตัณหาอีกต่อไปพมื่อไม่มีกิเลสตัณหาก็จะไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป การเวียนว่ายตายเกิดก็สิ้นสุดลงความทุกข์ที่เราเคยแบกเคยหามาทุกภพทุกชาติก็จะหมดสิ้นไปนี่คือเรื่องของการทำบุญในวันกำไรบุญที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง เอวเมววัตุทินังเปตานังอุปกัรปติอิทธิ์ตังปฏิตังตุลหังเกิดเมววสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนระโสยธาเมณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรลายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมาวัทานติ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 ท่านที่ไม่สามารถจะไม่อยากจะมาถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบนามัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมหน้ากุติทางเฟ e บุ๊ก ส1 7ิบเจ็ดท่านทาง YouTube พระอาจารย์สา8รอเจ็ดสิบแปดท่านทางด r V c h a n n e ว68ลหสิท่านวิทยุออนไลน์สิบห้าท่า น, า น, า น, Online, านครับพาสี่ท่านนากุติหนึ่ง้อยห้าสิบสามท่านรวมทั้งหมดเป็นเก้าร้อยสาสิบห้าท่านเจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมนหนากุติเจ้าค่ะกราบนรมชสการพระคุณเจ้า ขอเรียนถามเรื่องทำบุญที่ผู้ตายจะได้รับบุญค่ะว่ามีแบบไหนบ้างที่ลูกจะทําให้คุณแม่ได้รับบุญกราบขอบพระคุณค่ะแบบเดียวน่ะก็คือทําบุญทําทานถวายข้าวของเงินทองจะให้วัดก็ได้ให้โรงเรียนก็ได้ให้โรงพยาบาลก็ได้ให้องค์กรสาธารนณะประโยชน์ต่างๆก็ได้หรือว่าเป็นการทําบุญสามารถใช้บุญนี้ อ, อุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ทันที เ้าค่ะมีคำถามจากทาง Facebook จากคุณสมใจขอเรียนสอบถามค่ะการที่หัวใจยังเต้นอยู่แต่หยุดหายใจไปแล้ววิญญาณได้ออกจากร่างไปหรือยังคะกราบขอบพระคุณค่ะถ้าตายก็ไปแล้วถ้ายังไม่ตายก็ยังไม่ไปบางคนสลบจะไายไปสามวันแล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่แสดงว่ายังไม่ตาย ก็ถ้าร่างกายยังไม่ตายก็วิญ ญ, ญาณก็ยังไม่ทิ้งร่างกายแต่ถ้าร่างกายตายไปแล้วลวิญ ญ, ญาณก็ไม่ไม่เอาร่างกายแล้วก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วเหมือนรถยนต์อ่ะร่างกายเหมือนรถยนต์ถ้ารถพังแล้วคนขับก็ไม่เอาแล้วเดินเดินหนีเลยแต่ถ้ายังพอสตาร์ตติดได้บางติดบ้างไม่ติดบ้างก็ยังพอถูถ่ายใช้มันไปก่อนน เช้ญห่ะคาถามจากทางช่องด็อกเตอร์วีชาจากคุณคมนั่งสมาธิแล้วมักจะหลับแสดงว่ากําลังสติอ่อนใช่ไหมครับต้องแก้ไขอย่างไรครับผมสาธุครับต้องฝึกสติมากๆให้ก่อนมานั่งฝึกสติทั้งวันเลยลืงตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจนึกคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถรือถ้าไม่พุโทโธก็ต้องเฝ้าดูร่างกายว่ากําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินก็เดินไปกับร่างกายกําลังยืนก็ยืนไปกับร่างกาย กำลังกินก็กินก็ไปกับร่างกายอย่าใจอย่าส่งใจไปที่อื่นไม่ใช่กินไปแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปด้วยอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติต้องมีสติอยู่กับเรื่องเดียวเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ดีหรืออยู่กับพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวก็ดีถ้ามีอย่างนี้แล้วเวลามานั่งใจก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วเจ้าค่ะจากคุณ ส, รสุรศิษิ์ กรับมาพิธการแล้วขอเรียนถามพระอาจารย์ครับกรณีที่เราทํางานที่ต้องใช้ความคิดเราต้องวางพุโทโธไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาพุโทโธหลังเสร็จภารกิจการ ง, งานใช่หรือไมครับก็คือว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อ๋อถ้าเราจะริยนสติถึงแม้เราจะใช้ความคิดกับไงานการทํางานเราก็มีสติรู้ว่าเราคิดแต่เรื่องงานเรื่องการ ไม่ใช่คิดเรื่องงานแล้วก็ไปคิดเรื่องเรื่องอื่นด้วยชอพร้อมกันไปจับสนกันไปหมดเอาทีละเรื่องถ้าต้องทํางานก็คิดแต่เรื่องงานอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงว่าเดี๋ยวเลิก ง, งานแล้วจะไปทําอะไรต่อที่ไหนดีไปชอปปิ้งที่ไหนดี <elim. S 1> เอาเรื่องเดียวเรื่องงานอย่างเดียวถ้าต้องคิดถ้าไม่ต้องคิดเรื่องงานก็พูดโธพูดโธรไปอย่าบ่อยให้คิดเจ้าค่ะจากจากอา่า YouTube เจ้าค่ะถามเข้ามาว่า เหมือนเหมือนเขาอะมีมีใจเดียวเป็นคนเดียวแต่ว่ามันรักใครหลายๆายคนหรือหรือรักหลายหลายคนนี่ผิดไหมครับถ้ายังไม่ไปนอนกับเขาก็ยังไม่ผิดนะนักได้แต่ยไปนอนกับเขานอนได้ทีละคนเจ้าค่ะจากคุณรุจาภา กลับนมัธการค่ะมีคำรรเกิดทุก์เกี่ยวกับบุตรจะแก้ไขยังไงให้จิตใจสงบและเบาบางคะพระอาจารย์มีความทุกเกี่ยวกับความโกรธนะเกี่ยวกับบุตรเจ้าค่ะบุตรลูกเหรอเจ้าค่ะทุกพราะเราลักเขาห่วงเขาอยากให้เขาปลอดภัยอยากให้เขาสบายแต่เราต้องมองความจริงว่าโลกนี้มันไม่แน่นอนอบางทีมันก็สบายบางทีมันก็ไม่สบาย บางทีปลอดภัยบางทีก็ไม่ปลอดภัยก็ต้องทําใจอะไรจะเกิดก็ต้องยอมรับมันให้ได้แล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์คุณอนโณงนาถามเข้ามาว่าเหมือนประมาณว่าเขาว่านั่งสมาธิไม่ได้เหมือนมีวิธีวิธียังไงเริ่มต้นก็ฟังธรรมนั่งฟังธรรมไปก่อน่อย่างวันนี้เวลาเทศก็นั่งฟังไปอย่างเดียวก็จะนั่งสมาธิไปในตัวนั่งได้ชั่วโมงหนึ่งนั่งแล้วใจก็จะเย็นใจสงบ ถามคนที่มาฟังทำที่นี่ดูก็รู้ไม่ย่งนั้นเขาไม่มาฟังบ่อยๆเจ้าค่ะาจากคุณคุณเพนค่ะอาจารย์ครับถ้าเรามีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นในสมองแล้วเรารู้ทันความคิดเราแต่ยังหลงไปกับมันเราควรทำยังไงครับ ก็สนใจว่าความคิดไม่ดีจะพาเราไปสู่ความทุกข์ต่างๆถ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์ก็อย่าไปทําตามความคิดนั้นๆต่อไปความคิดนั้นก็จะไม่เกิดเช่นคิดจะไปเสพยาเสพติดก่ถ้าไปเสพยาเสพติดแล้วมันจะติดเวลาไม่ได้เสพมันจะมันจะทุกข์บางทีถึงเรอยากจะฆ่าตัวตายถ้าไม่อยากจะไปเจอในสภาพนั้นก็อย่าไปทําตามความคิดตามความอยากจะเสียอยากจะเสพยาเสพติด ต้องสอนใจให้เห็นคุณเห็นโทษของความคิดทางคิดนี้มันคิดไปในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็มีคิดไปในทางที่เป็นโทษก็มีต้องรู้จักแยกแยะด้วยปัญญาอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเจ้าค่ะยังมีไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ ะ, ะครับขออนุญาตรเรียนถามพระอาจารย์ครับ ไปทำงานครับก็ผมสงสัครับเวลาเมื่อก่อนผมทําทานนะอย่างเช่นตักบาตรหรือส่วยสังฆทานเนี่ยจะรู้สึกช่ำชื่นใจมากรครับแต่พอมาปฏิบัติสมาธิแล้วครับแล้วไปเจอความสุขในสมาธิที่มันเยอะกว่าการทําทานมากเนี่ยครับมันทาให้หลังจากนั้นมาเนี่ยผมทําทานเนี่ยมันไม่รู้สึกช่ำชื่นเหมือนเดิมคือมันรู้สึกเป็นเฉยๆยครับไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยฮะแต่มันมันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อกิจในสมาธิเท่านั้นนะครับ ไม่ทราบว่ามันอย่างนี้มันถูกทางไหมครับถือว่าความสุขมันหลายระดับกันระดับที่สูงกว่ามันก็จะเด้งดูดจิตใจได้มากกว่าบนรถยนต์เนี่ยขับรถตีการ์ไปแล้วได้รถเก่งนี้มันก็จะเห็นว่ารถเก๋งมันสุขสบายกว่าก็อยากจะขับรถเก๋งมากขึ้นขับรถตีการ์ให้น้อยลงครับบนเรื่องของการการตอบสนองความต้องการของใจเราคือความสุขใจสิ่งไหนให้ความสุขใจมากกว่าเราก็จะไปหาสิ่งนั้นมากกว่า แต่เราก็ยังไม่ทิ้งเรื่องการทำบุญทําทานแต่เราจะทําตามโอกาสตามเวลาอันควรแต่ส่วนใหญ่เราจะให้เวลากับการภาวนาการปฏิบัติธรรมมากกว่าครับคือทุกวันนี้ผมก็ทาทานปกติก็ยังได้บุญเหมือนเดิมแต่ว่าครับ ย, ย, ยังไม่มีคำถามเข้ามาก็ค่ะกับอาจารย์เน้วค่ะเอ่อหนู คุยใจใกล้ปากหน่อยหนูหนะหนูรู้สึกเพิ่งจะเข้าใจนิดหน่อยอะค่ะว <ım S 1> si ่าความสุขกับความทุกข์เสมอกันเพราะมันเป็นอารมณ์แต่หนูอาจจะยังไม่เข้าใจท่องแท้ค่ะกับสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่เข้าใจอะไรความสุขกับความทุกข์เจ้าค่ะว่าชีนซี่เสมอกัน มันมันไม่มันไม่เหมือนกันหรอกถ้าเหมือนกันเราก็เอาทั้งสองอย่างได้สิความสุขมันเย็นมันสบายความทุกข์มันเครียดมันร้อนเหมือนอากาศร้อนกับอากาศเย็นเราจะเอาไหนมันก็อากาศเหมือนกันแต่มันต่างกันมันเป็นเหมือนกันมันเป็นอากาศเหมือนกันแต่มันให้ความความรู้สึกกับเราไม่เหมือนกันความทุกข์มันให้ความร้อนกับใจความสุขมันให้ความเย็นกับใจ ใจชอบความเย็นใจไม่ชอบความร้อนเจ้าค่ะแล้วในส่วนที่เขาบอกว่าความสุข ค, คือความทุกข์อะค่ะแบบเสมอกันด้วยสุขกับทุกข์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอพูดโมเมไปเขาก็ไม่รู้เหรอเขาพูดอะไรเ้าไม่เข้าใจกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะมีคำถามจากทางยูทูเจ้าค่ะ จากคุณใบยก ค, ค่ะจิตที่ได้จากการนั่งสมาธิจนเข้าสภาวะอุเบเกเาเขาคือจิตที่เป็นปกติในแต่ละวันใช่ไหมเจ้าคะมีไม่อะไรเข้าใจความเหตุจึงมีผลจิตจึงเฉยตามในที่เราอ่านคำถามจิตที่ได้จากการนั่งสมาธิจนเข้าสภาวะอุเบกขาคือจิตที่เป็นปกติในแต่ละวันใช่ไหมเจ้าคะ หมายถึงจิตคนทั่วไปเหรือคนทั่วไปมันไม่มีอุเบกขาสิมันมีแต่รักชังกลัวหลง<ม>คนที่ปฏิบัติสมาธิได้อุเบกขาแล้วถึงจะได้ได้จิตที่เป็นที่เป็นปกติคือไม่รักชังไม่กลัวไม่หลง<ม>แต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัตินี้ยังไม่เป็นปกติจิตยังฟุ้งซ่านยังวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆอยู่คนที่มีอุเบกขาแล้วจะจะนิ่งจะเฉยจะเย็นจะสบาย กับสภาวะธรรมต่ า, างๆที่ไปสัมผัสรับรู้เจ้าค่ะจากคุณลมมี่เพื่อนชอบตียุงจะบอกเขาอย่างไรเจ้าค่ะชอบชื่อชอบเลยเนอะนะตียุงเจ้าค่ะตียุงตบยุงเหรอเขาบอกว่าต่อไปเราจะไปเกิดเป็นยุงให้ว่าตีบ้างยาวไหมล่ะ จากคุณเ k คกราบนรมชาการเรียนถามพระชาจาร์เจ้าค่ะช่างซ่อมเจ้าของร้านรับซ่อมคอมซ่อมมือถือลักขโมอยอุปรกรณ์ภายในเครื่องเมมโมรี Memory, และเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวการติดต่อสื่อสารในแพลตฟอร์มต่างๆของลูกค้าเขาจะได้รับผลกรรมอะไรในชาตินี้และเมื่อตายแล้วจะไปลงนรกไหมคะถ้าเกิดชาติต่อๆไปเขาจะชดใช้วิบากกรรมยังไงคะ ก็เป็นการลักทรัพย์ของผู้อื่นชาติต่อไปก็จะไปถวยคนาหนุนเข้ามารักทรัพย์ของตนเองกองกรรมกงเกวียนทำอะไรกับใครก็ต้องถูกเขากลับมาทากับเราอย่างนั้นถ้าไม่อยากจะทำอะไรให้เขากลับมาทากับเราเราก็อย่าไปทากับเขาก่อนยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคไม่มีคำถามฝนก็เริ่มเบาพอจะกลับบ้านกันได้แนละ้ว